หนึ่งแปดแการทําความสะอาดบ้าน Hu สบัสกวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เรามีเวลา วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์นนี a ว่าสกี้วิเลอยลิเดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำฉันว่าสกี้บาสามีของดิฉันกำลังล้างรถมู้ชายว่าสกี้บิ เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยานบา r ์นาวัดส์คิร์ส a r ล์คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้เวสตเเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กบพส สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขาผู้ช d ยรุดด์ร์บน b ร r ด e t sitt ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้าฉันใส่ถุงในเครื่องซักผดิฉันกำลังตากผ้าฉันแขวนผดิฉันกำลังรีดผ้า หน้าต่าง e กปรกวิ n ดูน์น่ r ช k i t น่พื้นห้อง r กปรกกระ t ูกเป็นชิทตันจานชามสกปรกข้าวสกินเป็นชิใครเช็ดหน้าต่างวสวิน ใครดูดฝุ่นวิ่งสูดสูงใครล้างจานว m t a ทา p อ v a สก e n